ขอความสุขความเจริญจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิาณในเทศกาลวิสาขาบูชาก็จะได้นำเรื่องการประสูติสัสรูและเสด็จดับขันธปิพาณของพระพุทธเจ้ามาเสนอแด่ท่านผู้ฟังในรูปของคติธรรมเพื่อมองเห็นว่า พระพุทธเจ้านั้นเป็นแบบชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุดคือเป็นอุดมชีวิตที่ทุกขั้นตอนของพระองค์เราสามารถที่ถือเป็นแบบได้พระองค์จึงอยู่ในฐานะที่เป็นอภิปูชนิยบุคคลคือควรแก่การบูชาอย่างสูงบูชาด้วยสักการะดอกไม้ทุกเชียงการเวียนทีนต่างๆก็เป็นที่ตั้งแห่งบุญ แล้วก็เป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชาจะตามระยะแห่งมงคลสูตรที่ทรงแสดงว่าบูชาจะบูชาชนิดยา낭เอตมังกาละมุตตมังการบูชาต่อบุคคลที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคลนั่นเองจะในขณะเดียวกันเนี่ยพระธรรมคําสั่งสอนที่ทรงสั่งสอนเอาไว้ในสถานะต่างๆก็ดี ลีลาชีวิตของพระองค์การเคลื่อนไหวทุกขั้นตอนของพระองค์ก็เดงหรือความเป็นผู้เสมอต้นเสมอปลายคือดำรงหลังจากศัสรูเนี่ยอดีก็เป็นแบบฉบับแต่มาเองสนใจในช่วงที่เป็นพระชักุมานก็อยากจะนำท่านทั้งหลายไปศึกษาลำดับขั้นตอนตรงนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับตำนานความเป็นมาเนี่ย หรือถ้าเรามองโครงสร้างตรงนี้แล้วก็เทียบเคียงกับความเชื่อในลัทธิศาสนาอื่นมันก็โครงสร้างใกล้เคียงกันเช่นว่ า, ส า, สาศาสนาคริสต์สายเจริญก็ส่งบุตรส่งทูตลงมาพระเจ้าส่งบุตรและส่งทูตลงมาเพื่อชี้แจงสั่งสอนธรรมะคําสอนแก่ศาสนิกเหล่านั้น ในพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่ระพุทธศาสนาไม่มีลักษณะเป็นเทวนิยมในแนวที่ผู้สร้างสูงสุดแต่ก็ยอมยอมรับความมีอยู่ของเทวดาในชั้นต่างๆทั้งกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิมรูปาวจรภูมิคือยอมรับทั้งหมดแต่ว่าในฐานะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายโดยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเราเองก็สามารถจะเป็นได้ทุกอย่าง แม้แต่ด้วยชีวิตร่างกายที่เป็นมนุษย์ที่เองเราก็สามารถเป็นเทวดาด้วยใจเป็นพรหมด้วยใจแล้วจนถึงเป็นอรูปพรหมด้วยใจเพราะทั้งหมดมันจะเริ่มที่ใจก่อนพระพุทธเจ้าของเรานั้นก่อนที่จะเสด็จลงมาไปสนที่ในพระคันของประนางสิริมายานั้นก็อ บ, บ, บอกว่าทวยเทศทั้งหลายใน ก็เรียกว่าแสนโกดจั ก, กรวานคือหมายความว่าในส่วนต่างๆ่ า, าของจั ก, กรวานได้เข้าเฝ้าพระองค์แล้วก็มีลักษณะกระตุ้นเตือนนะเพราะว่าตอนนั้นบา ร, รมีก็แก่กลาแล้วการทำความดีทั้งหลายนั้น เราไม่ได้ปรารถนาสมบัติของเทวส ก, กะไม่ได้ปรารถนา ส, ม บ, าาสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิหรือสมบัติของภูมิแต่ว่าทรงปรารถนาสปัญยุตยานยันได้เคยพูดไว้ในเรื่องการบำเพ็ญบารมีธรรมนั้นทุกเรื่องเนี่ยมุ่งไปที่สปัญยุตยานเพราะอะไรพระต้องการจะช่วยสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากสังสารชุบเป็นมโนโปนิธานที่มีมรนานผ่าน เวลากลับกันมาเป็นนอเนกพ้นรวยเทพทั้งหลายจึงเข้าเฝ้าแล้วก็กระตุ้นเตือนนะฮะบอกว่าท่านมหาวีระวันนี้เป็นเวลาสมควรสําหรับท่านแล้วขอท่านจงบังเกิดในพระคันเปชุนนีเพื่อ ย, อยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามโอหะท่านจงสัตย์รู้อมตบทเถอะเป็นประโยคสั้นๆแต่เรื่องใหญ่มาก เราเชืว่าข้อความตรงนี้ถ้าเรานํามาเรียบเรียงเป็นหนังสือนะฮะจะได้หนังสือเล่มใหญ่เลยเพราะบรรจุอัฏฐพยัญชนะสารัธธะมากมายแก่กองเรยเมีเบื้องหน้าเบื้องหลังมาวีระนั้นแสดงถึงความกล้าหาญตัวตามปกติแล้วก็จะเรียกใครก็ตามที่มีความกล้าหาญเรียกวีระวีระแต่คนที่กล้าหาญที่สุดก็เรียกว่ามาวีระ พระผู้มีพระภาคเก้านั้นตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์นะฮะก็ชื่อได้ชื่อว่ามหาวิระเพราะเป็นผู้กล้าหาญในการต่อสู้กับอำนาจฝ่ายต่าพวกกิเลส ท, ทั้งหลายนีย่โดยไม่ได้หวั่นไหวต่อแรงกระแทกกระทันของกิเลส ท, ทั้งหลายแต่ว่าการกล่าวทูลรัเชิญชวนมาให้จุติเนี่ย ตอนนั้นก็ยังเป็นสันดุสิทธิ์เทพประบุตรอยู่ยังเป็นแต่เทพประบุตรอยู่สวรรค์ฉันดุสิตนะก็ขอให้บังเกิดในคันคือประเด็นที่น่าคิดว่าทำไมจะต้องเกิดในคันเกิดที่อื่นได้ไหมก็จริงๆก็เกิดได้นะแต่ว่าเราต้องไม่ลืมว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าจะ สรงแสดงแก่โลกและจะต้องสัรว์รูนั้นก็คือหลักของอริยสัจสี่การเห็นอริยสัจสี่ด้วยอายุที่ยืนยืนเนี่ยมันเห็นยากนะพระเทวดายุยืนนั่นเกินก็จะเห็นได้ยากโดยเฉพาะใจรักเนี่ยท่ น, นจะเห็นได้ยากเพราะันก็ท่านก็แนะนําให้เกิดในคันพระชนนีวัตถุประสงค์ก็เพื่ อ, อยังโลกคือเพื่อช่วยโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมลโลกทั้งหมดให้ข้ามโอขะ คำโ อ, อคานั้นในที่นี้หมายถึงวงน้ําคือกิเลสและวงน้ําคือสังสารวัฏคือหมายซ้อนกันทั้งสองอย่างซึ่งโ อ, อคานั้นเป็นการเรียกชื่อกิเลสอย่างหนึ่งเท่นั้นเองนะครแต่ว่าอาจจะเจอชื่ออย่างอื่นก็ได้ก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะจะเรียกตามอาการเนี่ยเป็นหลักวันก่อนที่จะเสด็จอุบัติก็ทรงพิจารณาที่เ ร, เรียกว่าปัญจมาหาวิโลกนะ คือสิ่งที่จะต้องตรวจสอบขนาดใหญ่ทุ่งควรแก่การจัดสรุห้าประการได้แก่กาละคือการที่อายุมนุษย์จเจริญขึ้นถ้าเกินแสนปีนี่ไม่ไหวสอนไม่ได้อย่างตำนานท่านบอกว่าในยุคศาสนาประสีอาณเนี่ยอดีก น, นานเนกาเลนะนับไม่หวไม่ไหว มนุษย์อายุจะยืนถึงแปดหมื่ปีประสีอ่านถึงมาอุบัติอายุในยุคนี้มันจะลดต่าลงไปเรื่อยจนถึงสิปีแล้วกเกิดกาลียุคเขินฆ่าทําลายล่างกันแล้วก็เหลือไม่ทารายเราก็เริ่มพัฒนาใหม่อีกรอบอย่างเจนถึงจุดหนึ่งมนุษย์อายุถึงแสนแล้วก็เกินแสนแล้วก็ลดลงมาอีกกาลับไปจนถึงอยู่ประมาณแปดหมื่นปี โลกมันจะเป็นยังไงเราไม่รู้นะเพราะมันนานและเกินจนเอาไปหวาดไปไหวอย่าไปคาดหวังอะไรเรวเอาเฉพาะศาสนานี้ให้ได้ก็แล้วกันไม่ใช่ว่าเขาหลอกบอกเล่าจะเมืองไกลจะหยับจ ะ, จ ะ, จ ะ, จะพึ่งไปทําคําก็ลําพันนะสิบเบี้ยใกล้มือกับสิบเบี้ยไกลมือเนี่ยเอาที่สิบเบี้ยที่ใกล้มือดีกว่าเพราะาถ้าอายุมากเนี่ยมันไม่ใช่การสมควรเพราะว่ามนุษย์ที่มีอายุมากเนี่ยจะไม่เห็นอ น, นิจจัง ไม่็น่นิจจังไม่เห็นทุกขงังไมาา่แน่น้ตตาเขาก็จริงพวกเราเองนี่แหละคือมนุษย์ในโลกปัจจุบันเนี่ยสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยอายุไขประมาณร้อยปีในยุของเราเวลาเนี่ยบางส่วนของโลกนะไม่ใช่ทุกส่วนแอฟริกานี่ไม่ไหวเร้สามสิบกว่าปีก็สิ้นาอายุไขของเราก็ตกประมาณเจ็ดสิบกว่าปีเจ็ดสิบห้าเป็นอย่างสูง อายุไขนะฮะอายุเฉลี่ยแต่เราจะอยู่ในโลกคล้ายๆกับเราอายุยืนหมื่นปีเลยมีการประมาทตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเป็นปกติวิสัยเลยจะประมาทหลงกำหนัดเพลิดเพลินขว่คว้าสแสวงหาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นเพื่อของเราเพื่อเป็นเราเพื่อเป็นตัวตนก็เราก็มีการปนเปื้อนตัวเองไม่ดูอายุอนามอะไรเลยนั่งรถเข็นแล้วยังอยากกันอยู่เลยแสดงประมาทมากเลย ในสมัยพุทธกาลเคยเกิดเทพธิดาองค์หนึ่งท่านจุตินะฮะจุติมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงดึงเป็นบริวารของมาลาภารีเทพบุตรในขณะที่ท่านจุติเนี่ยมาลาภารีเทพประบุกำลังชมสวนอยู่ไปเที่ยวอุทยานกับบริวารจํานวนมากนางจุติเทพธิดาจุติเทพตรจุติเนี่ยไม่ทิ้งซากนะฮะ แล้วลงมาเกิดในโลกมนุษย์มีครอบครัวอายุหกสิบห้าปีตายระ ล, ลึกชาติได้นะปรารถนาที่จะกลับไปสู่สำนักมาราภาริเทพุทธบุตรทบุญทุกครั้งกติทานอย่างนั้นและในสุดก็ไปเกิดปรากฏว่ามาลาเทพาริเทพบุตร ย, ยังไม่ได้กลับเลยหันไปถามมาตะกีนนี่เธอหายไปไหนถามตะกี้นะนางก็บอกว่าก็ตายไปบังเกิดในโลกมนุษย์ เอ๊ะทำไมมันเร็วจังบอกมนุษย์อายุสั้นถามอายุขนาดไหนก็บอกอย่างมากกว่าร้อยปีแล้วเป็นไงมนุษย์ชาอายุร้อยปียังไงบุกใช่ประมาทป้ากเห็นไหมประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคโดยเฉพาะในวัยเนี่ยเราจะมีความคิดในแนวยกยอดไปทำความดีตอนแก่ แล้วก็ตอนแรกก็หาความสนุกสนานไปก่อนด้านกฎของไตรลักษณ์เนี่ยถือเป็นกฎใหญ่ที่สุดเนี่ยการเข้าสู่วิปัสสนามันต้องเริ่มที่เห็นไตรลักษณ์แต่นี้ตายุยืนเนี่ยแกไม่เห็นหรอกพูดยากทาคํามก็จะยากมันไม่มีภาพที่เป็นตัวสนับสนุนและตัวเองก็ไม่สามารถจะเห็นตัวเอง แล้วมนุษย์ีที่จริงมันเป็นพบระหว่างกลางพอดีอายุไม่เยินเกินเยินยืนเกินไปไม่น้อยเกินไปมีวุฒิภาวะมีบารมีพอที่จะพัฒนาขึ้นไปได้เลยก็เรียกตรงนี้ในยุคสมัยที่พระพุทธเจ้าประสูตธ์เนี่ยมันก็เป็นยุคสมัยอายุไขประมาณร้อยปีอย่างที่ว่าท่านบอกว่าร้อยปีเนี่ยแผ่นดินมันจะหนาขึ้นห 1, 1นึ่งหนึ่งเซนนะครับ มันก็หมายความว่าเวลาเนี้ยโลกมันก็แผ่นดิมก็หนาขึ้นเท่าไรล่ะหนาขึ้นก็สองร้อยสองร้อยห้าสิบเซนเนะี่ยก็คือสองเมตรกว่าก็เป็นเรื่องน่าคิดเหมือนกันนะฮะเวลาเขาขุดโบราณสถานที่ประเทศอินเดียปวกวัดอโศการามาะรอะไรต่างๆมันก็ลึกขนาดเนี้ย แล้วจะไปเจอจะไปเจออาคารเหล่านั้นซากอาคารเหล่านั้นฐานอาคารเหล่านั้นต้องขุดลึกลงไปก็ประมาณสองเมตรครึ่งอั้ก็เป็นเรื่องที่นอกออกไปแต่ว่าหน้าคิดนะฮะหน้าคิดว่าความเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงเป็นนิรันด์เหมือนกันว่าตัวโลกเองมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดโลกก็ไม่ได้หยุดนิ่งไม่ได้หยุดนิ่งแล้การต่อไปเนี่ยทรงพิจารณาประเทศ แล้วก็มองไปที่มัชชิมาประเทศหรือมัธยมชนบทในประเทศตอนกลางปพระตามปกติแล้วเขาบอกว่าพระโพธิสัตว์จะไม่เกิดในปัจจันทชนบทแต่จะเกิดในมัชมมชิมประเทศแล้วก็เจาะจงไปที่กบิลลาพาธว่าเป็นที่พึงบังเกิด ในการต่อไปก็พิจารณาที่ราชสกุลประราชสกุลที่กรุงกระบินลพัฒเองก็เถอะที่จริงก็มีหลายครอบครัวนะหลายสกุลแต่ตรงนี้มันก็อาศัยปุเพกตะปุญญาตาบุญที่กระทำกันมาในการก่อนในรูปของบุเพศานิวาสเพราะนัน้น ร, ราชสกุลพระเจ้าสุโธธนาเนี่ยมันเป็นะ ก, กุลที่ทรงสร้างบา ร, รมีร่วมกันมาอนเอกนกนัน ก็ในที่สุดก็สเสด็จมาบังเกิดในสถานที่นั้นแล้วพิจารณาถึงประชนีว่าจะอกขี่แม่นี่สำคัญนะตัวนี้ที่จริงเป็นหลักอย่างหนึ่งคือคือหน้าคิดไอ้คนที่มาเกิดคงเลือกอะไรไม่ได้นะคนอื่นนะแต่ว่าแม่นี่น่าจะเป็นฐานที่จะต้องการให้ลูกดีให้เกิดลูกมาดีคือในแง่ของแพทย์เวลนี้ก็เลือกได้นะ เลือกเอาตัวสเปิร์มต่างๆไข่ต่างๆมาผสมกันได้แต่ถามว่าในกระบวนการของกรรมเนี่ยจริงเลือกได้ไหมเลือกได้นะคือหมายความว่าตัวเองต้องรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์มันเป็นฐานรองรับไปจิตวิญญาณคุณภาพให้มาบังเกิดในสถานที่นั้นดังนั้นเราเห็นว่าธรรมดาพระพุทธมารดาเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติบำเพ็ญบารมีมาตลอดเป็นแสนกับ พระเทวีนามว่าสิริมห า, มายาเนี่ยจำเดิมแต่เกิดจะมีศีลห้าไม่ขาดเลยวันก็มุ่งไปสู่พระนางสิริมห า, มายามาเป็นพราชนนีแล้วพอดีท่านก็สร้างบารมีมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะด้วยนะก่อนในที่สุดที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าคันของพระพุทธมารดาเนี่ยเป็นคันบริสุทธ ย่าต้องดูว่าอายุท่านกล้จะสิ้นด้วยหมายความพอไปสูตรแล้วนี่เจ็ดวันก็ที่บงกตอ่ะก็กลับไปเป็นเทพประบุอยู่ในสวงสวรรค์คือไม่เหมาะที่จะอยู่ในโลกมนุษย์มันดีเกินไปก็ดีก็เป็นสิ่งที่มีการตรวจสอบตรงนี้ท่านทั้งหลายจะฟังมองดูเป็นตำนานนะฮะแต่ถ้าเรามองในปัจจุบันว่าทั้งหมดเนี่ยจริงเป็นเรื่องน่าคิด เพราะอะไรเพราะมันเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีสังคมทุกยุคทุกสมัยในท้องถิ่นที่จะอยู่เนี่ยเราพูดว่าค่าทาเข้าทางท้องถิ่นที่เราจะอยู่นะคือประเทศที่เราจะอยู่ประเทศบางทีก็หมายถึงท้องถิ่นระดับใดระดับห น, นึ่งนะฮะแล้วก็สกุลก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน คือส ก, กุลเนี่ยทำยังไงจะเกิดสํานึกรับผิดชอบต่อ ว, วงศส ก, กุลแนวที่เราพูดว่าอาวิชาตตะบุตรอนุชา ต, ตะบุตรอวัชา ต, ตะบุตรเนี่ยมันเป็นการแสดงเห็นว่าบุคคลภายในส ก, กุลเนี่ยมีส่วนอย่างสําคัญที่จะรักษาส ก, กุลพัฒนาส ก, กุลหรือกลายเป็นช่างเผือกที่เกิดขึ้นมาในส ก, กุล มนุษยเราที่จริงมันอาจจะเลือกเกิดยังไม่ได้นะแต่เกิดมาแล้วในเลือกเราพึติปฏิบัติเท่าได้อย่างที่ท่านกล่าวไว้เป็นคำกลอนว่าลูกคนจนค้นแคลนแสนจะคิดอัดแผงรีดกลายเพศเป็นเศรษฐีลูกคนโง่อาจจะโผล่เป็นเมธีเหตุชนี้ไม่ควรรูดูหมิ่นกันอันปรึกษาข่าแรกเจริญสีใช่จะมีต้นใบใหญ่มหาลุกทุกต้นตั้งแต่เล็กมาด้วยกันต่อแานวันจึงเขียวคลุมจะอุมใบ ปัญหาสำคัญว่าต้องนับหนึ่งเนี่ยเหมือนกระทานระยะทางมันจะไกลสักกี่โยชกก็าตามมาแต่มนันเริ่มโดยการก้าวท้าแรกแล้วก้าวไปเรื่อยๆนะระยะทางมันจะสั้นเข้าโดยลําดับและเราก็ใกล้จุดปลายปลายทางเข้าไปแต่การเดินทางในสังสารวัตรนั้นเป็นการเดินทางที่ยาวนานเพราะอะไรเพราะว่ามันแรงผลักดันของกิเลสกรรมเนี่ย คือเรื่องเป็นนันมากที่เราไปหาเรื่องเอาเองเป็นลักษณะของหมูวิ่งชนปังตอเนี่ยปัญหาอย่างอบายไบมุกปัญหาอะไรต่างต่างเราวิ่งเข้าหาเขาเองจิงเสียติดทั้งหลายเนี่ยวิ่งเข้าไปหาเขาเองด้วยอาการของโลภแบบง้อๆแล้วก็มาเกิดปัญหาเข้ามันก็ทําลายทั้งวงสกุลความเสื่อมเสียก็เกิดขึ้นแก่วงสกุลตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าที่น่าศึกษาหน้าพิจารณา ว่าในฐานะที่เป็นลูกหลานของสกุลคนหนึ่งเนี่ยคือทำยังไงว่าเราอาจจะเลือกเลือกหรือไม่เลือกมาก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราเกิดในสกุลแล้วนะทำยังไงจะมีจิตสำนึกที่จะดูอยู่ดูแลรักษาวงสกุลก็เพื่อให้สกุลเรามีความเจริญก้าวหน้าจริ่งขึ้นไป เพราะว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ดีทายาชั่วทายาพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นแบบฉบับมากเพราะอะไรเพราะว่าราชวงศักย์ยถาไม่มีพระพุทธเจ้ากเกิดเนี่ยทั้งศาย ญ, ญาทั้งโกลิยะนั่นแหละจะไม่มีใครรู้จักและจะไม่มีใครเห็นความสําคัญจะไม่มีเกียรติมีสถานะอยู่ในสังคมโลกเพราะก็คือคนสกุลสกุลหนึ่งเท่านั้นเอง แคนเหล่านั้นได้รับไมตรีจิตจากพุทธบริษัทเพราะว่าเป็นลูกหลานของสกุลศักยะและโกริยะเช่นพวกสากิยะหรือพวกสากเกหรือพวกบารวพวกนีเน้เป็นเชื้อสายศักยะทั้งนั้นนะฮะคือจะอยุด น, นิที่ไหนพอคนได้ยินนามตระกูลแล้วเขาก็ชื่นชมยินดีอนี้ก็ เชื้อสายพระญาติวงศ์ของพระพุทธเจ้านะฮะผ่านมาตั้งสองพันห้ารอยกว่าปีเห็นไหมพระบารมีนี่ปกแผ่มากปกแผ่คุ้มครองคนเหล่านั้นได้มากทําให้ได้เกียรติได้สถานะแล้วก็เกาะกลุ่มกันดีอย่างพวกในปานะเนี่ยเขากาะกลุ่มกันอยู่ดีแล้วก็พระช น, นีนี่เรื่องใหญ่แม่ในเรื่องใหญ่นะฮะซึ่งก็หมายความว่าคนที่เป็นแม่ก็แสดงว่าเลือกลูกได้ ลูกเนี่ยอเลือกไม่เลือกก็ไม่รู้ว่าเกิดมาแล้วนะแต่ว่าถ้าเรามองในแง่ของสังสารวัฏก็คือว่าการที่เกิดมาเป็นลูกเป็นแม่กันเนี่ยเพราะว่าเราเคยทําบุญร่วมกันมาในการก่อนพระเจ้าทรงแสดงว่าศรัทธาสมาศรัทธาเสมอกันศีลสมาศีลเสมอกันจากขัสมาจากขาัเสมอการปัญญาสมาปัญญาเสมอกันแล้วก็สามารถเกิดร่วมกันได้ ในฐานะเป็นสามีปัญญากันบ้างพ่อแม่ลูกบ้างพี่น้องบ้างอะไรแต่ไรเนี่ยแล้วคนเหล่านี้ถ้าทําบุญร่วมกันมาในลักษณะนั้นแม้เกิดมาอยู่ร่วมกันเป็นครอบเป็นครัวแล้วก็ตามก็จะอยู่เย็นเป็ดสุขคือจะไม่ทะเลาะวิวาดกันเพราะว่าปาัญหาสําคัญคือความเห็นเนี่ยมันมีฐานอดีตก็เสมอกันฐานปัจจุบันก็เรียนรู้มีประสบการณ์ต่างๆในการเคียงกันแม้จะมีความขัดแย้งอะไรกันอยู่บ้างนะฮะแต่ว่าจะหาข้ อ, อยุติได้ ประเด็นสึ่งนี้จึงกลายเป็นประเด็นที่สําคัญอีกประ เ, เด็นหนึ่งว่าเมื่อเราเกิดมาเป็นลูกของแม่มันจะต้องเชิดชูเราจะเห็นว่าพอนึกถึงพระพุทธเจ้าก็นึกถึงพระนางสิริหมามายานึกถึงนางสิริหมามายาก็ถ้าไม่ได้ลูกเป็นเจ้าชายจิตตถะท่านก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่ความเป็นแม่ลูกนี่ผูกพัน มีการเชื่อมโยงถึงกันในด้านบวกและด้านลบปติคุณของพระนางสิริมามายาว่าพระโพธิสัตว์อาศัยคันประสูต์แล้วก็อยู่เจ็ดวันพระนางก็ที่วงกคแล้วนางก็หมดอายุนะฮะจริงๆทำอย่างไรว่าลูกเนี่ยจะสร้างความภาคภูมิใจให้แก่แม่แก่พ่อของตัวเอง เรนี่ปัญหาก็ค่อนข้างใหญ่นะปะนัญหาภ า, ายในครอบครัวเราเนี่ค่อนข้างใหญ่เพราะว่าเด็กเขาเรียนรู้จากสื่อข้างนอกคือเรียนรู้จากชาวบ้านเนี่ยมากกว่าเรียนรู้กับพ่อแม่ก็ทําให้เกิดเป็นปนัญหาอย่างที่เราพบเห็นกันเพียงแต่ว่ายัางไม่ลุกลามบานปลายไปใหญ่เท่านั้นเองต้องฟังทั้งหลายใต้ร่มประโพติญาณในรายการพิเศษสมัครป น, นี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้น ที่สุดนี้ขอความเจริญง่องามไพบูลย์ในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังถลายโดยตัวกันสวัสดี